เปมสูตรว่าด้วยความรักและความชังพิสุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ย่อมเกิดทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความรักเกิดเพราะความรัก 2. ความชังเกิดเพราะความรัก 3. ความรักเกิดเพราะความชัง 4. ความชังเกิดเพราะความชังความรักเกิดเพราะความรักเป็นอย่างไร คือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่รักนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของเราด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร mattress. ่น่าพอใจเขาจงเกิดความรักในคนเหล่านั้น ความรักเกิดเพราะความรักเป็นอย่างนี้แหลความชังเกิดเพราะความรักเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่รักนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่น่าปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจของเราด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเขาจึงเกิดความชังในคนเหล่านั้นความชังเกิดเพราะความรักเป็นอย่างนี้แหละความรักเกิดเพราะความชังเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นก็ประพฤติต่อบุคคลที่ชังนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใครไม่น่าพอใจบุคคล น, นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของเราโดยอาการที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเขาจึงเกิดความรักในคนเหล่านั้นความรักเกิดเพราะความชังเป็นอย่างนี้แหลความชังเกิดเพราะความชังเป็นอย่างไร คือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆก็ประพฤติต่อคนที่ชัางนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อคนที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของเราด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเขาจึงเกิดความชังในบุคคลเหล่านั้น ความชังเกิดเพราะความชังเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเกิดสมัยใดภิกษุสงังอาจจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่สมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น แม้ความรักที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นสมัยใดเพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญสะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้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 พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุชื่อว่ายึดถือเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าไม่ยึดถือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีรูป ไม่เห็นรูปในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในรูปไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่เห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีสัญญาไม่เห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา ไม่เห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่เห็นสังขารในอตในัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุชื่อว่าไม่ยึดถือเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าโตต่อเป็นอย่างไร คือพิสูจในธรรมวินัยนี้ด่าโต้ตอบคนที่ดา่าโกรธ ต, ตอบคนที่โกรธเถียงโ ต, ต้ตอบคนที่เถียงภิกษุชื่อว่าตโต้ตอบเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าไม่โต้อตอบเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ด่าโต้อ ramen, ตอบคนที่ด่าไม่โกรธตอบคนที่โกรธไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียงภิกษุชื่อว่าไม่โต้อตอบเป็นอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าบางหวนควันเป็นอย่างไรคือเมื่อมีตัณหาว่าเราเป็นตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงมีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นจึงมี ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้จึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงมี ตันหาว่าเราจักเป็นจึงมีตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้จึงมีตันหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นจึงมีตันหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นจึงมีภิกษุชื่อว่าบางหวนควนเป็นอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าไม่บังหวนควนเป็นอย่างไรคือเมื่อไม่มีตันหาว่าเราเป็น ตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงจึงไม่มีตันหาว่าเราพึ่งเป็นจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้จึงไม่มี ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราจักเป็นจึงไม่มี ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีภิกษุชื่อว่าไม่บางหวนควนเป็นอย่างนี้แหละิิษุชื่อว่าลุกพโพลงเป็นอย่างไรคือเมื่อมีตันหาว่าเราเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้ ตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตนัตนหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี ตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมี ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตันหาว่าเราจะเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด e ้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีภิกษุชื่อว <pound> ่าลุกโผลงเป็นอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าไม่ลุกโผลงเป็นอย่างไรคือเมื่อไม่มีตันหาว่าเราเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้ตันหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มี ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขนันธ์ทะปัญชกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธ์ทะปัญชกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราเป็น ผ, <Columbus> right ผ, ผู้เที่ยงด้วยขันธ์ทะปัญชกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยขันธ์ทะปัญจกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธ์ทะปัญชกะนี้จึงไม่มี ตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็ ä, นด้วยขันธปัญจกานี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธะปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตันหาว่าเราจะเป็นด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงไม่มีตัหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยขันธะปัญจกะนี้จึงไม่มี ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีพิกษุชื่อว่าไม่ลุกโพลงเป็นอย่างนี้แลพิกษุชื่อว่าถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ยังละอัสมิมานะไม่ได้เด็ดขาดยังไม่ได้ตัดรากถอนโคน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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าไม่ถูกไฟไหม้เป็นอย่างนี้แลเบมสูตรที่สิบจบมหาวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งโสตานุคตะสูตรสองฐานสูตรสพัทยะสูตรสสาปุขิยาสูตรหวัปปสูตรห สารหะสูตรเจ็ดมณิกาเทวีสูตรแปดอัตันตปะสูตรเก้าตันหาสูตรสิบเปมสูตรจจตุทะปันนาจบบริบูรณ์ จมปันนาตหนึ่งสปุริสวัคหมวดว่าด้วยสัปปุรุษหนึ่งสิกขาปะทะสูตรว่าด้วยสิกขาบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัปปุรุษและอสัปุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปปุรุษจากแสดงสัปปุรุษและสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอสัพพุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนกามพูดเท็จเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าอสัพพุรุษ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 อันเป็นเหตุแหง่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแหง่งความประมาทบุคคล น, นี้เรียกว่าอาศัต ร, รุษที่ยิ่งกว่าอาศัต ร, รษสัตว์ปรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกลามและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของหมือนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษสิกขาปะทะสูตรที่หนึ่งจบสองอ ส, สัตทะสูตรว่าด้วย ผู้ไม่มีศรัทธาและผู้มีศรัทธาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัพบุรุษและอสัพบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัพบุรุษจกแสดงสัพบุรุษและสัพบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะมีสุตะน้อยเป็นผู้เขียดคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามบุคคลนี้เรียกว่าอาศะบุรุษอาศะบุรุษที่ยิ่งกว่าอาศะบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีศรัทธาตนเองเป็นผู้ไม่มีหิริ และชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีหิริตนเองเป็นผู้ไม่มีโอตปะและชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีโอตปะตนเองเป็นผู้มีสุตตะน้อยและชักชวนผู้อื่นให้มีสุตตะน้อยตนเองเป็นผู้เกียดคร้านและชักชวนผู้อื่นให้เกียดคร้านตนเองหลงลืมสติและชักชวนผู้อื่นให้หลงลืมสติตนเองมีปัญญาสามและชักชวนผู้อื่นให้มีปัญญาสาม บุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะเป็นพรหูสูตรปรารุคความเพียรมีสติมีปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้มีศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้มีศรัทธาตนเองเป็นผู้มีหิริและชักชวนผู้อื่นให้มีหิริตนเองเป็นผู้มีโอตตะปะและชักชวนผู้อื่นให้มีโอตตะปะตนเองเป็นพหูสูตรและชักชวนผู้อื่นให้เป็นพหูสูตรตนเองมีสติตั้งมั่นและชักชวนผู้อื่นให้มีสติตั้งมั่นตนเองเป็นผู้มีปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้มีปัญญา บุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษอาสัทสูตรที่สองจบสามสัตตก ร, ร ม, มสูตรว่าด้วยกรรมเจ็ดประการภิกษุทั้งหลาย เราจกแสดงอาสัตว์ปรุษและอาสัตว์รุษที่ยิ่งกว่าอาสัตวุรุษจากแสดงสัตว์ปรุษและสัตวุรุษที่ยิ่งกว่าสัตวุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงอาสัตว์รุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพอเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าอาสัตว์ปรุษ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 เป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพ <stero> ย <rene ticket to the leaked> ์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษสตักกรรมสูตรที่สาจบ สทัศกรร ม, มสูตรว่าด้วยกรรมสิบประการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัปบุรุษและอสัปปุรุ ษ, รษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจากแสดงสัปบุรุษและสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัปบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา เป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิชาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขาและชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเลงอยากได้ของเขาตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท ตนเองเป็นมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษ สัตว์ปรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์ปรุษเป็นอย่างไรคือบ uh ุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์และถึงตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาทตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิ และชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทศก ร, รมมสูตรที่สจบ 5. อัดทั้งที่กระสูตรว่าด้วย มักมีองค์แปดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาสาบุรุษและอาัาบุรุษที่ยิ่งกว่าอาัาบุรุษจกแสดงสัพพุรุษและสัพพุรุษที่ยิ่งกว่าสัพพุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิเห็นผิดมีมิจฉาสังกัปปะดำริผิดมีมิจฉาวาจาเจรจาผิด มีมิจฉากรรมมันตะกระทําผิดมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดมีมิจฉาวายามะพยายามผิดมีมิจฉาสติระลึกผิดมีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดบุคคลนี้เรียกว่าอาสัตบุรุษอาสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอาสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ และชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฏฐิตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสังกัปปะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาสังกัปปะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวาจาและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวาจาตนเองเป็นผู้มีมิจฉากัมมันตะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉากัมมันตะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาอาชีวะ ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวายามะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวายมะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉ า, า, า, าสติตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉ า, าสมาธิาาธบุคคลนี้เรียกว่าอาสัตบรุษที่ยิ่งกว่าอาสัพบ ร, รุษสัพบรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบมีสัมมาวาจาเจรจาชอบมีสัมมารกรรมมันตะกระทำชอบมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาวายามะพยายามชอบมีสัมมาสติระลึกชอบมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษ สัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิตนเองเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสังกัปปะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวาจาและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวาจาตนเองเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมากัมมันตะ ตนเองเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาอาชีวะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวายามะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวายามะตนเองเป็นผู้มีสัมมาสติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสติตนเองเป็นผู้มีสัมมาสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ อัจทั้งขิคสูที่5จบ 6. ท้สมัคสูตรว่าด้วยมักสิบประการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาสพปุรุษและอาสาบุรุษที่ยิ่งกว่าอาสาบุรุษ แสดงสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิละถึงมีมิจฉาญาณะมีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่า อ, า อ, าอาสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีมิจฉาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาญาณะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ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 และชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทัะมคสูตรที่6จบ 7. ปฐมมปาปะธรรมสูตร ว่าด้วยทำชั่วและทำดีสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคนชั่วและคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วจกแสดงคนดีและคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่ว คนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ละถึง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนดีคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนดีที่ยิ่งกว่าคนดี ปโธมะปาปรธรรมสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยะปาปรธรรมสูตรว่าด้วยทำชั่วและทำดีสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย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 และชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาญาณนะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีทุติยะปาปรธรรมสูตรที่แปดจบ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 บุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีตติยะปาปธรรมสูที่เก้าจบ